เช่นอรหันต์ผู้ควรหรือผู้กลายกิเลสขีณาศพผู้สิลอาสวะแล้วอเซ่ะผู้ไม่ต้องศึกษาหรือผู้จบการศึกษาแล้วบริขีนณพภาวะสังโยชน์ผู้หมดสังโยชน์ที่เป็นเครื่องผูกมัดไว้ในภพวิสิตวันหรือวุสิตพรหมจันทร์ผู้หยุดจบพรหมจันทร์แล้ว กตะกรณีผู้ทำกิจที่ต้องทำเสร็จแล้วโอหิตาพาระผู้ลงพาระแล้วอนุปัธสัทธัตผู้เข้าถึงประโยชน์ตนแล้วสมมาธั ญ, ญาวิมุตผู้หลุดพ้นเพราะรู้ถูกท่วนอุดมบุดุษคนสูงสุดคนยอดเยี่ยมมหาบุดุษคนยิ่งใหญ่ด้วยคุณธรรม บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของพระหูชนและมีอำนาจเหนือจิตของตนสัมปันนักกุศลผู้มีกุศลสมบูรณ์เบรมกุศลผู้มีกุศลธรรมอย่างยิ่งคำเรียกอีกไม่น้อยเป็นคำที่ใช้กันมาในลัตธิศาสนาสืบจากเดิมแต่นำมาใช้ในพุทธศาสนาโดยเน้นให้ปรับแก้ความหมายให้ถูกตรง ตามสาระของพระธรรมวินันเช่นพราหม์คือพราหม์แท้หมายถึงผู้ลอยบาปโดยละเลิอกอกุศละธรรมทิ้งไปหมดแล้วซึ่งเดิมเป็นคำเรียกคนวันณะเลิศประเสรศเิฐเหนือวันณะอื่นทักคิ น, นัยผู้ควรแก่ทักษินาเดิมเป็นคำเรียกพราหม์ ในฐานะผู้ควรรับค่าตอบแทนในการประกอบพิธีบูชายันหนาหาตผู้สนานแล้วผู้อาบน้ำธรรมะทำกรรมสะอาดสร้างความเกษรรมแก่สรรพสัตว์ซึ่งเดิมเป็นคำเรียกพรามผู้ได้ประกอบพิธีสนานขึ้นสู่สถานะเป็นพรามีระดับเวทะคูผู้ถึงเวทคือเจนจบวิ ช, ชาล่วงพ้นความติด ในสัพเพเหตนาเดิมเป็นคำเรียกพรามผู้จบไตรเพศสมณะผู้สงบผู้ระ ง, งับกิเลสเดิมเป็นคำเรียกนักบวชเกวลีหรือเกพลีคนครบถ้วนคนสมบูรณ์เดิมเป็นคำเรียกบุคคลสูงสุดในศาสนาเชนอริยะหรืออริยชน คนเจริญผู้ประเสริฐผู้เจริญหิงสาต่อสรรพสัตว์เดิมเป็นคำเรียกคนสามวันนะแรกหรืออารยันโดยกำเนิดคำเหล่านี้บางคำพบบ่อยจนชินตาแต่บางคำมีที่มาน้อยแห่งโดยเฉพาะคำเทท้ายเป็นคำเก่าๆที่ใช้กันมาในศาสนาพราหมณ์แต่เปลี่ยนความหมายใหม่ให้เป็นไปตามหลักการของพระพุทธศาสนา เช่นพราหมณ์เดิมหมายถึงผู้ลอยบาปด้วยการลงอาบในแม่ น, นาม้าศักดิ์สิทธิ์เช่นแม่คงคาแต่ในพุทธศาสนาหมายถึงลอยบาปโดยการละศสียด้วยการปฏิบัติตามมัชหรือโดยอุปมาว่าลงอาบตัวในธรรมะดังนี้เป็นต้นการศึกษาตามแนวนี้ต้องพิจารณาภาวะของผู้บรรลุนิพพานโดยสัมพันธ์กับหลักธรรมที่กล่าวถึงในคานั้ น, น, น เช่นอาสวะสามสิกขาสามอเศคธรรมสิบสังโยติสิบพรหมจรรย์คือมักมีองค์แดเป็นต้นซึ่งในที่นี้ไม่มีเนื้อที่เพียงพอที่จะแสดงให้ครบท้วนและเห็นว่าจะเป็นเหตุให้ฟัน่นเฟืออหนึ่งในหมู่ชาวพทธจำนวนมากทีเดียวนิยมพูดถึงคุณสมบัติของพระอระหันต์และพระอริยบุคคลอื่นๆในเชิงละหรือเชิงลบ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 ดำเนินชีวิตที่ดีงามมีคุณค่าและทาคุณในประโยชน์แก่โลกอย่างไรที่จริงคำและข้อความที่กล่าวถึงคุณสมบัติของพระอาหารหันต์ในเชิงบวกก็มีไม่น้อยแต่ถ้าเป็นคำบรรยายหรือพรรณน า, นาก็มักมีเนื้อความกว้างขวางยากที่จะสรุปมาวางให้จับใจความได้อย่างมีลำดับเป็นขั้นๆหรือเป็นข้อๆหรือไม่ก็แสดงไว้เป็นเรื่องเฉพาะกรณี ไม่ใช่คุณสมบัติร่วมที่เสมอเหมือนทั่วกันแก่ทุกท่านในที่นี้จะเลือกคำที่เป็นคุณบทคือคำที่ใช้เป็นคุณนามซึ่งแสดงคุณสมบัติและคุณลักษณะของพระอระหันต์ได้กว้างขวางครอบคลุมอย่างเป็นระบบสรุปก็ง่ายขยายความก็ชัดขอนำมาบอกไว้เป็นตัวแทนของคำอื่นทั้งหมดและเป็นคาที่พระพุทธเจ้าทรงใช้เองบ่อยด้วย คำที่ว่านี้คือภาวิตต์ซึ่งแปลได้ตรงตัวว่าผู้มีตนที่พัฒนาแล้วหรือผู้ได้พัฒนาแล้วมาจากบาลีว่าภาวิตต์โตพูดแบบภาษาไทยว่าภาวิตต์หมายความว่าผู้ได้เจริญคือได้พัฒนาตนดำรงอยู่แล้วเป็นคำที่ใช้แก่พระอรหันต์ทั้งหมด ทั้งพระพุทธเจ้าพระปเจกับพุทธเจ้าและเหล่าพระอาหารหันตสาวกดังในมหาปรินิพพานสูตรเล่าความระหว่างเสด็จสู่สถานที่ปรินิพพานเรียกพระพุทธเจ้าว่าองค์พระภาวิตรัดดังนี้พระพุทธเจ้าเสด็จถึงแม่น้ำกะกูทานทีอันมีน้ำใสจืดสะอาดเสด็จลงสงสงและสวยแล้วอันหมู่ภิกษุแวดล้อมเสด็จไปในถ้ำกลาง เสด็จเข้าสู่อัมพวันแล้วรับสั่งกับภิกษุนามจุนทกะว่าเธอจงช่วยปูผ้าสังคติซ้อนสี่ชั้นให้เป็นที่เราจะนอนพระจุนทกะนั้นอันองค์พระพาวิตัสส่งเตือนแล้วได้ปูผ้าสังคติพับเป็นสี่ชั้นถวายโดยพลันแม้ที่เมตตคูมานพทูลถามปัญหาก็ทนองเดียวกันว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามขอจงตรัสบอกความนั้นแกข่ข้าพระองค์เถิดข้าพระองค์ย่อมสำคัญพระองค์ว่าทรงเป็นพระเว ท, ทคูคือผู้ถึงเวทเจนจบวิ ช, ชาทรงเป็นพระพาวิตัสจึงขอทูลถามว่าประดาความทุกเหล่านี้ที่ประดังพ่างพรูขึ้นมาในโลกมากมายหลายหลากเกิดมาจากไหนกันหนอ พระพุทธเจ้าตรัสเปรียบท่านผู้พัฒนาตนแล้วคือพระอรหันต์ที่เป็นพระหูสูตรว่าเป็นนายเรือผู้ฉลาดสามารถพาคนจำนวนมากข้ามน้ำไปให้รู้ถึงจุดหมายได้โดยปลอดภัยดังพุทธพจน์ในนาวาสูตรว่าเหมือนดังว่าบุคคลขึ้นสู่เรือที่มั่นคงมีพายมีทอพร้อมมูลเขามีความรู้คิดเป็นผู้ฉลาดรู้วิธีจัดดาเนินการในเรือนั้น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 เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวและมนุษย์ทั้งหลายบุคคลสามประเภทเป็นไนภิกษุทั้งหลายประทัาคตสเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนี้เป็นพระอาหารหันต์ประสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณ ะ, สะเสด็จไปดีแล้วส่งรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานเป็นผู้จำแนกธรรมรัตฐาคตรพระองค์นั้นทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพระมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐาทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงภิกษุทั้งหลายบุคคลที่หนึ่งนี้เมื่ออุบัติขึ้นในโลกย่อมอุบัติขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อเกื้อกาวรุ่นแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวและมนุษย์ทั้งหลายอีกประการหนึ่งสาวกของพระศาสดาพระองค์นั้นแหลเป็นอรหันตะขีนาศหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ถูกทวนพระสาวกนั้นแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพระมจันพร้อมทั้งอัฏะทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงภิกษุทั้งหลายแม้บุคคลที่สองนี้เมื่ออุบัติขึ้นในโลกยอมอุบัติขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อเกื้อกาวรุนโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวะละมนุษย์ทั้งหลายอีกประการหนึ่งสาวกของพระศาสดาพระองค์นั้นแหล ที่ยังเป็นผู้ศึกษายัางปฏิบัติอยู่เป็นพระหูสูตรประกอบด้วยศีลพรษแม้สาวกนั้นก็แสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในถ้ำกลางงามในที่สุดประกาศโรมจรรยรพร้อมอัฏถะทั้งพยัญชนะบริสุทธ์บริบูรณ์สิ้นเชิงภิกษุทั้งหลายบุคคลทั้งสามนี้เมื่ออุบัติขึ้นในโลกยอมอุบัติขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อเกื้อก้าวรุนแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวและมนุษย์ทั้งหลายพระศาสดาแลผู้สแสวงคุณยิ่งใหญ่เป็นบุคคลที่หนึ่งในโลกตามต่อมาคือพระสาวกผู้ภาวิตัสถัดจากนั้นไปคือเสกสาวกผู้ยังปฏิบัติอยู่ที่เป็นพระหูสูตรประกอบด้วยศีลประบุคคลสามประเภทนั้น เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทวะมนุษย์เป็นผู้ศาสตร์ส่องแสงสำแดงศัจธรรมเปิดประตูอมะตะช่วยปลดเปลื้องพะหูชนให้หลุดพ้นจากเครื่องผูกรัฐชนเหล่าใดดำเนินตามอริยามรรค า, าที่พระสัสดาองค์ผู้นำที่ยอดเยี่ยมได้ทรงสแสดงไว้ดีแล้วหากไม่ประมาทในศาสนาธรรมขององค์พระสุคตก็จะกระทำความจบสิ้นแห่งทุกข์ได้ในอัตภาพนี้แหล พึงสังเกตว่าพระอริยาสาวกที่เป็นเสขะยังเป็นผู้ศึกษาปฏิบัติยังไม่เป็นพาวิตัดอย่างไรก็ตามพึงสังเกตว่าพาวิตัดนี้นิยมใช้เฉพาะในคาถาคือในคำร้อยกรองเท่านั้นไม่นิยมใช้ในความร้อยแก้วทั้งนี้คงเพราะเป็นคำสั้นๆใช้ในคาถาได้สะดวก และสามารถแทนคำยาวๆที่ลงในคถาได้ยากในทางตรงข้ามภาวิตั์ที่เป็นคำสั้นนี้ไม่นิยมใช้ในความร้อยแก้วคงเพราะให้ความหมายได้ไม่ชัดนักเมื่อในความร้อยแก้วไม่มีข้อจำกัดเชิงสัญลักษณ์ก็จึงนิยมใช้คําแม้ที่ยาวสักหน่อยแต่ให้ได้ความชัดไปเลยเมื่อเรื่องเป็นอย่างนี้ ก็ถามต่อไปเสียเลยว่าถ้าอย่างนั้นในความร้อยแก้วท่านใช้หรือนิยมใช้คำอะไรแทนคำว่าภาวิตรตรงนี้แทนที่จะตอบเองขอยกคำอธิบายในพระไตรปิฎกมาให้ดูและพิจารณาเองคือในพระไตรปิฎกเล่มที่30จุลนิเทศซึ่งถือกันมาว่าเป็นนิพนธ์ของพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรอกราสาวกอันอธิบายความในพระสูตรของพระพุทธเจ้าส่วนหนึ่ง ในสุตตานิบาตพอดีว่าก็มีข้อความที่ท่านอธิบายคาว่าภาวิตตที่มาในคาถาในสุตตานิบาตนั้นคือในคำทูลถามของเมตคุมานกที่อ้างถึงแล้วข้างตน้นจึงขอยกมาให้ดูดังนี้เพื่อให้ชัดขอยกคำบาลีเดิมมาให้ดูด้วยกัทถังพัควาภาวิตตโตภควาภาวิตากาโย ο, ภาวิตาสีโลภาวิตาจิตโตภาวิตาปัญโยภาวิตาสติปัฏฐานโนภาวิตาสมุปันทานโนภาวิตาอิทิปาโทภาวิตินทริโยภาวิตาพโลภาวิตาโพชังโคภาวิตามัคโคปหีนากิเลโสปฏิวิทากุโปสัจจิกะตันิโรโธพึงดูคำแปลที่รักษาศัพท์ดังนี้ พระผู้มีพระภาคทรงเป็นพาวิตัตคือพัฒนาพระองค์แล้วอย่างไรคือพระผู้มีพระภาคทรงเป็นพาวิตกายทรงเจริญกายแล้วมีกายที่ได้พัฒนาแล้วพาวิศีลทรงเจริญศีลแล้วมีศีลที่ได้พัฒนาแล้วพาวิจิตทรงเจริญจิตแล้วมีจิตที่ได้พัฒนาแล้วพาวิปัญญาทรงเจริญปัญญาแล้ว มีปัญญาที่ได้พัฒนาแล้วมีสติปัฏฐานมีสมปัะธานมีอธิบาทมีอินทรีย์มีพละมีโพชฌงมีมัชที่ได้เจริญคือพัฒนาแล้วทรงละกิเลสแล้วทรงแทงตลอดอากุปธรรมแล้วมีนิโรธอันทรงทำให้แจ้งแล้ว